ทามีผู้ฟังมีผู้พูดฟังแล้วออกไปทาสิที่ต้องทาก็มีเรียกว่าวิชากรรมฐานมีที่ตั้งแห่งการกระทำทำหลางลาง อามีสติเป็นอายอยู่เป็นประจำบอกอย่างนี้วิธีใดที่จะให้มีสติเป็นกายอยู่เป็นประจำไม่พะสูตรก็บอกไว้แล้วว่าดูฉันเข้าเหยียดฉั น, นออกให้มีสติเรียกว่าสามประจั ญ, ญาบพพะ เอาอาศัยอริบทก่านเคลื่อนไหวเป็นริงที่ตั้งไว้มันมีกายอยู่มีมือมีแขนมีขายอยู่เริ่มต้นจอกที่กายก่อนเราก็มีกายทุกคนมันมีสติการที่มีสติอยู่นี่ไปในกายนี่ต้องหัด ทำใม้หัดก็ทำไม่เป็นอันเดื่มมันจะดึงไปสิ่งที่เกิดกับายกับายนี่ก็มีมากดึงไปใช่ทางที่ผิดก็มีเสียผู้เสียคนเยอะแยะวันแบบนี้เรามาฝึกหัดกันมาเข้าคอร์สมาเข้าค่ายมาลงสนามฝึก กเราเป็นกองเขียรเคยฝึกมาเหมือนกันก่อนที่จะบอกให้ลงสนามเราก็เคยลงสนามมาแล้วเคยฝึกมาแล้วทําได้ทําได้สิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจนี่ทําได้ปฏิบัติได้จึ่งไหนเหมือนผิดทําให้มันเป็นสิ่งที่ถูกได้ พอมีวิชาการตามคมสอนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ทําที่เป็นพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อทำกรรมฐานกรรมฐานพาให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ชาติกาเนิดเกิดมาเป็นพระุทธเจ้าเลยเกิดมาก็เป็นสาว น, น้อชน คนหนึ่งเห็นความเอืดความแย่ความเจ็บความตต์ต่อหน้าต่อตาเหนทุกข์ลองห่มลองให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องเจ้าผู้เจ็บก็เจ็บจริงจริมันเป็นโจทย์ ศึกษาเรื่องนี้แล้น้องหลายลูกหลายแบบหกปีปีที่หกจงนะศึกษาเรื่องนี้เอ า, า เ, นเอาใจเป็นตําลาเอาใจเป็นตําลามีกรรมฐานคู่เข่นเข้าเยอะแข่งด อ, อกยังไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนั่งอยู่ใต้ล่มไม้ลําพังผู้เดียวพระองค์เดียว ก็จะเห็นสิยงที่มันเกิดขึ้นกับปากกับใจมากมายก็จะได้รู้มีสติแล้ววันนี้เลือกผู้แข่งเขาจะแขันออกมีสติจะได้ทักท้วงกับมาลูท้ที่มาอยู่ที่ตั้งสติสนอุปกรณ์เครื่องมือดึงสิ่งที่มัน พาไปกลับขึ้นมาลู่ที่กายนี่เพื่อนไหวอยู่นี่ลู่อยู่นี่ผิดทีใดก็ลู่ทุกตีใดก็ลู่สิ่งที่ทมันเกิดกับกายนมันมีมากมีก็พาเป็นตัวบปนตนเป็นสุขเป็นทุกข์กลับมาสติเห็นว่าใช่ตาเนื่อเห็น ตาเนื้อเห็นอย่าไปเชื่อบางทีก็เกิดนิมิตขึ้นมาได้ตาเนื่อเห็นโน่นเห็นนี่ก็ อ, อย่าไปเชื่อเอาตาไนคือลู่สิบตัวนี่มือเคลื่อนไหวอยู่นี่กับลู่เดินจมกรมกลับไปกลับมาแล้ลู่อยู่นี่ให้กลับมารู้ที่การเคลื่อนไหวตั้งไว้ตั้งไว้ให้อยู่นานๆ มันจะคุ้นเคยเองจะช้ำนานในความรู้สึกตัวหรือตอนไหนจะได้รู้ไวขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นกับการรู้สึกตัวทั้งนั้นมาผิดก็เป็นความรู้สึกตัวมาแบบไหนรู้สึกตัวมาลงที่ความรู้สึกตัวก่อนอย่าหาคำตอบด้วยเหตุด้วยผล นี่หรือ ว, ว่าฝึกหัดการฝึกหัดเช่นนี้ไม่มีใครเป็นครูเราได้คนอื่นก็ช่วยไม่ได้ครูของ่อยของจอยคือความรู้สึกตัวนี้ประกอบขึ้นมาให้มันมีอย่าให้เหมือนเถื่อน นิสติเป็นผู้ดูแลเป็นเจ้าของไม่เป็นใหญ่อย่าเพิ่งตัดสินใจเอาน่นเอา น, นี่เห็นสิงนน่งนู่นสิงนี่สิงกลับมาตั้งไว้ที่กายนี้ให้รู้จักตัวรู้จักตัวอยู่นี่จะได้บทเรียนสิ่งที่เกิดกับกายมากมายประสบการณ์มากมาย เมื่อประจบการกับวายมากมายก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอีกหลายเรื่องหลายอย่างเป็นชกเป็นทุกเรียกว่าเวชนาเกิดกับวายเป็นช ก, กนเป็นท ก, ก, ก, ก็เห็นถ้ามีความรู้จักตัวจะได้เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา แต่ก่อนเราก็เป็นไปกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากับกายกับจิตจิตดีๆปกติอยู่แต่ก่อนเกิดไรขึ้นมาทำไมย่อมจิตไปหลายอย่างเวทนาับย่อมกายย่อมจิตอีกหัวันรปเจอเยอะ คือสูบกัญทุกมีอยู่จริงอันสูบกัญทุกนี่มันใช่ตัวตนมันมีอยู่ของธรรมชาติของรูปของกายของนามของจิตใจมันรู้อะไรได้กายก็รู้อะไรได้ใจมันก็รู้เะไได้อีกทั้ง หูจะหมกดิ้นมีการท้าวหวานที่บรรพบุรุษอะไรได้เข้ามาเยอะแยะทำให้หลงไปกับตากับหูจมูมกดิน้นใจใจเราไม่มีสติท้าวหวานห่งประตูแห่งอาขันตุกะเข้ามาเยอะแยะ แต่ถ้าเราลู้จากตัวนี่จะลู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รลู้จะชำนานโวบคุมได้ในกายในใจในรูปในนามบันทีก็จิตที่มันคิดหลงเปนในความคิดก็มีขอให้เป็นสุขเป็นทุกข์ก็มีในความคิดนั่น มันจะเป็นเทววานของกิดให้มีสติดูเลยกลับมาทั้งไห้ที่กายอย่าไปกับความคิดอย่าให้ความคิดเด็งไปจนหลงอ๋อยมไม่มีสติความคิดดูดไปเดินยังกรมอยู่ก็ไม่รู้ยกมือสร้างจัหวอยู่ก็ไม่รู้ ามคิดดึงปซะเราจึงต้องจำเป็นต้องเพื่อนไหวสมปัชญญัติปภะเพื่อนไหวเพื่อให้ลูกเพื่อเป็นลูกตุ่มถ่วงไว้ให้เกิดความลูกมีที่ตั้งมีการกระทำอย่าหลุดออกไปง่ายเกินไปตัดตนสอนตน ลูกอนั่งจะเดินอย่นอนที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายก็ให้ลู่เักตัวอย่าลุกไปเลยอย่านั่งเลยอย่าทำอะไรไปโดยไม่ลู้จักตัวอันนี้จะเป็นนกบุกหัดจีได้ก็หัดยากหน่อยทวนกระเสือกหน่อยของความเคยชินของกายของใจ เหมนหิวที่สิงที่หิ้วไปง่ายๆสิ่งอื่นหิ้วไปง่ายๆเพราะเคยรับใช้สิ่งอื่นเป็นอุปกรณ์แห่งความรับใช้สิ่งอื่นกาใจนี้รับใช้ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างสุ ก, กเอาทุ ก, กเอะหมดลบหลงเอะดีใจเสียใจเอาหมดอยากได้ความสุความทุกข์ตามไล่ไป จากสูงทุกทุกอยู่เช่นนั้นนอกจากเกิดจากกายจากใจแล้วไม่พอในวัตถุภายนอกแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับภายในกายใจนี่มากมายยังเป็นงานต้นการที่จะต้องนำมาฝึกตนสอนตนทุกรูปทุกแบบถ้ามีสติ จะได้บทเรียนจะได้ประสบการณ์หลายเรื่องสติมีบทเรียนหลายอย่างประสบการณ์หลายเรื่อ ง, แ ล, ยอย ง, ลองแล้ก็แหล่งการศึกษาธรรมะศึกษาแบบนี้ไม่ใช่ศึกษาภายโนอกรู้เรื่องนี้จึงเรียกว่าธรรมะ เลูกเหล่านี้เป็นธรรมะก็มีธรรมะธรรมชาติอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจเรืแจ้งเห็นจริงเห็นเป็นลูกเป็นนามเมื่อเห็นเป็นลูกเป็นนามก็แตกฉานด้วยความแตกฉานสิ่ที่มันเกิดขึ้นกับรูกเป็นนามนี่ ชำนชำนาญประสบการณ์หลายเรื่องหลายอย่างเมื่อเห็นริงที่มาเกิดขึ้นกักบน้ํา ม, มีสติแลนก็เป็นการล่าความชั่วการทําความดีการล่าความชั่วการทําความดีเกี่ยวกับรูปบนน้ำนี่มันเกี่ยวข้อหมดเลหลายอย่างทั้งต้นที่นี่ทั้งนั้น เราก็มีรูปมีนามมีกายมีใจปัญหาเกิดที่รูปที่นามที่กายที่ใจนี่แล้วก็เกิดปัญหาต่อไปอีกมากมายแมไในกายในใจนี้ก็เหมือนกับว่ามีความทุกข์อย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้วมีอะไรที่มันเป็นทุกข์ ควา ม, มเที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนให้เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็ให้เป็นทุกข์เกี่ยวกับโลกที่เป็นวัตถุสิ่งของไม่มีใคยเป็นใหญ่ได้ในรูปนี้ไม่มีใครป้องกันได้ในควมไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ของรูป ก็เห็นความเท็จความจริงในความจริงมันมีอยู่ในความไม่จริงในความไม่จริงมันมีอยู่ในความมันมีความจริงอยู่เช่นความไม่เที่ยงเกยกับลูกความนำมันมีอยู่จริงแต่มันไม่จริงมันจริงแบบไม่เที่ยงเช่นอย่างนี้ เกิดลอยขึ้นเห็นอย่างนี้มันก็หลุดออกมาไม่เอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ไม่เอาความทุกข์มาเป็นทุกข์ถ้าเห็นจริงถ้าไม่เห็นก็จับเอาทุกอย่างเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเอาวัตถุมากําหนดบ้าง เอาน้ำมารำมากำหนดบ้างกำหนดด้วยความไม่เที่ยงก็มีวัตถุก็มีความไม่เที่ยงชีวิตก็ไปห้อยไปเฉียน้วยกับวัตถุเมื่อวัตถุนั้นเป็นปาก็หมาเป็นทุกข์เพราะมันไม่เคยรู้เคยเห็นเอาความไปทุกข์มันไปทุกข์ ส้นไปแทนที่เห็นทุกข์พ้นจากทุกข์ทำไม่เป็นเห็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ถ้าเราฟุ้งกระจายเห็นทุกข์เหมือนพ้นจากทุกข์นี่คือทุกข์รู้แล้วกาหนดรู้ได้แล้วนี่คือทุกข์เหตุที่ทำมาเกิดทุกข์รู้แล้ว โดยละเหตุมันแล้วละได้แล้วเหตุที่ทําให้เป็นทุกข์คืออะไรแล้วก็ให้ฝึกขัดได้ฝึกขัดได้เห็นรู้จักตัวจะได้เห็นไม่เข้าไปเป็นง่ายๆถ้า ม, มีความรู้จักตัวจะมักเข้าไปเป็นเป็นหน่วยทุก ไม่ได้เป็นผู้ทุกข์ถ้าเป็นผู้ทุกข์ก็ถือว่าไม่เห็นไม่มีสติแล้วต้นเหตุที่อยู่ที่ความไม่รู้จักตัวถ้าเรารู้จักตัวตัวรู้จักตัวจะเป็นผู้เฉลืยไปเลยผ้มรู้จักตัวเป็นตัวเฉลือ่อยสิ่งที่เกิดขึ้นกับขวากับใจทุกเรื่องทุกอย่าง ความไม่เที่ยงก็เห็นแล้วนี่คือความไม่เที่ยงคือรู้จากตัวรู้แล้วจะให้ไม่เที่ยงก็ไม่ได้นันความไม่เที่ยงเนี่ยความเป็นทุกข์ก็รู้แล้วนี่คือความเป็นทุกข์จะให้เป็นสุขมันก็ไม่ได้ความทุกข์นี่อยู่ในรูกความร้อนความหนาวความหิวความปวดความมื่ย เหมือนเกิดขึ้นกับลูกทุกสภาวะทุกทุกรรมนิพพานชาติของลูกว่าใช้ทุกเป็นอุปาทานที่บายึดว่าตัวเราของเราถ้าเรามาลูกอุปาทานทั้งหมดหอดเมื่อหมตัวกับความทุกข์แทนที่จะมีปัญญากายปนความโง่ไปเลย ทุกเมื่ออะไรก็งูไปเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นทิมแฉงจิตใจเศร้าหมองถึงจิตถึงใจไม่ใช่คนละอย่างไม่รู้จักแยกเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นทุกข์นามเป็นทุกข์รูปเป็นทุกข์นามไม่เป็นทุกข์ฉลานามฉัลาดรู้จัก ระเบียบมีระเบียบที่ปฏิบัติตัวนามลูกก็มีระเบียบไม่เบียดเบียนกันถ้าเราเิกิอศราถ้าเราไม่เจิกศอไม่มีจติลูกที่มันเป็นทุกข์ก็เบียดเปียนนามนามเป็นทุกข์ก็เบียดเปียนลูกม ทุกที่เกิดจากน้ำมาทําคือจิตใจมาให้ลูกเป็นทุกข์ได้คิดมากจนมีปัญหาก็มีโกรธมากก็มีปัญหาเถารูกเส้นเลือดกระเพาะเส้นข้อมโกรธมากๆเขินเข้ามาได้ เพราะบีบตัวหดตัวหมดเลือดไม่มีหลอเล่ยงในสภาละร่างกายแต่หลอดเล่ยงหัวใจที่มันคิดทำงานหนักหัวใจเต้นทีขึ้นเส้นความกดหัวใจจะเต้นเร็วขึ้นเพราะมันหนักทางานหนักเหมือนเครื่องยนต์ก็ หมลเลวเกินไปก็ต้องดูดน้ำหมันมากไปหล่อเลี่ยงกินน้ํามันมากกินแรงมากหัวใจก็สูบเลือดไปเลี้ยงทํางานหนักก็เสื่อมโทนชวนดึงขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแต่ทุกขกว่เถือนที่สุดคือก่อเพราะอาหารปปลกลายโรคก่อเพาะได้นี่คือทุก ถ้าเราไม่รูปมันไม่เป็นระเบียบรูปเปียดเบียนน้าน้ําเบียดเบียนรูปเกิดโลกนิดๆหน่อยๆก็กําเบิบได้ถ้าเราไม่รูปถ้าเรารูปจากตัวจะเยี่วยวหย่ารูปจากเยี่วยวหย่ากันเองระหว่างรูปกับน้ำเนี่ย ไม่มีความถูกต้องอย่างหนึ่งก็ถูกต้องไปหลายอย่างถ้ามีความผิดพลาดอีหยองก็ผิดพลาดไปหลาย่างอาชื่อว่าคนเนี่ยมีรูกมีนามเนี่ยแต่ยังต้องจำเป็นต้องศึกษาเจอปล่อยทิ้ง ว, ว่ามีสติจะกระตือเรื่อง้อนสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูกมีนามมาก มีสติรู้จักวิธีรู้จักฉลาดช่วยเหลือลูกช่วยเหลือนาเหมือนกัเหมือนกับกบอบกู้ขึ้นมาให้คนจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นความถูกต้องเยอะแยะเลยถ้ามีสติจะรู้จักจกระตือกรโลน่นช่วยลูกช่วยนา้า เราไม่เคยช่วยลูกช่วยน้ำไว้ปล่อยให้รูปน้ำหลงวันหลงก็ยังปล่อยความหลงทิ้งไว้งานทุ ก, ก็ยังปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้เมื่อไม่มีสติเป็นอย่างนั้นนะปล่อยความทุกข์ทิ้งไว้ปล่อยความหลงทิ้งไว้ปล่อยความพอใจความไม่พอใจทิ้งไว้ในรูปในนามมันจะเกิดอยขึ้นมาถ้าปล่อยไปอย่างนั้น อันตลายขนหัวลูกสามสิบปีจะมารู้เรื่องนี้จะมารู้เรื่องนี้พอมารู้แล้วพอเห็นมันมันหลงเข้ามาอุ้ยกระตือล้่นรีบมาไวที่สุดความรู้จักตัวนี้มาไวมากกว่าอันอื่นถ้าจะดีมาไว อะไรก็มีโอกาสที่จะบังให้ลูกให้นามมีปัญหาเพราะหมันฝึกหัดมันก็ชำนิชำนาญจิตมาไหว้ๆวจิตมาไวไ ว, าไวไหวทีแรกก็หัดกำหนด่อยเคื่อนไห้ถ้าหัดเป็นแล้วไม่ได้หัดมันเป็นทำให้มันเป็น ทำเป็นแล้วทำเป็นแลว้วการทําเป็นตัวเองต้องสอนตัวเองคนอื่นสอนไม่ได้คนอื่นสอนให้แต่ได้ความรู้แต่การทําไม่เป็นเราต้องสอนตัวเราเหมืนหลงรู้จักตัวเป็นไหมเหมนทุกข์รู้จักตัวเป็นไหมเหมือนโกรธรู้จักตัวเป็นไหมวหมืนหลงรู้จักตัวเป็นไหม มันดีใจรู้สึกตัวเป็นไหมมันทุกข์ใจรู้สึกตัวเป็นไหมมีให้เราฝึกพิษรู้สึกตัวถูกรู้สึกตัวส ง, งบรู้สึกตัวพุ่งชาลล้ารู้สึกตัวนอกจากทุกข์นอกจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นมานล้วแม้แต่อากาศที่มเกิดขึ้นต้องรู้สึกตัวอีกเช่นมันรู้ก็รู้สึกตัว อย่าไปติดความลูอ้อีกเหมือนสุกควาู้จากตัวอย่าไปติดความสุกอีกควางลู้จักตัวนี่เป็นนี่เหลือคือแบบพฤชผมไม่จันทร์ประพืพชผมไม่จันทร์ผอให้ผมไม่จันทร์ของเราทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อการทํำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งชิ้นนี้คือบริสุทธิ์ลู้จักตัวทำให้ลูปบริสุทธิ์ทำให้นามบริสุทธิ์ เมื่อรูปนามบริสุทธิ์ก็กลายเป็นศินสินก็ช่วยอีกสมาธิคือเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเฉพาะเรื่องขอช่วยอีกมีปัญญาโลกรู้สิ่งที่มาเกิดกับกายกับใจกับรูปกับนามเนี่ยเป็นปัญญาลู่เรื่องนี้เรื่องเกิดที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจกับรูปกับนามเนี่ยจึงเป็นปัญญาพุทธ ปัญญาพุทธะไม่ใช่เปเรียนรูกจบปิญญาหรือท่องจำมันนั่นเป็นภายนอกส่วนวิชาชีพแต่รูปนามนี่มารูปเป็นปัญญามันพาไปถึงมรรคถึงผลเหนือการเกิดแก่เก็บตายเหนือทุกไม่มีทุกไม่มีราะมันเห็นแจ้งตามความจริง ทุกเป็นสิ่งที่กำหนดหรู้พถ้าเกิดทุกเป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วทำแจ้งแล้วทำได้แจ้งแล้วช้ำนานแล้วจึงเป็นความจำเป็นเป็นเรื่องรีบด่วนในการในใจนี้ควรที่จะกอบปูตัวเองให้ได้มาฝึกครับ มาเป็นม่รเป็นเพื่อนกันมาลงสนามพวกเราเป็นของเขียร์พระพุทธเจ้าเป็นธงชายพระลหันเป็นธงชายอยู่วงหน้าเราบ้าเจอมีจุตใีภาในกายกา็เป็นเรื่องเดียวกันความหลงเกิดขึ้นจากเราพระพุทธเจ้าเคยมีความหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ได้ พระเจ้าเพี้ยนนี้ความหลงเกิดจากกายก็รู้ได้ความหลงเกิดจากใจก็รู้ได้พระองค์อาจจะคิดมากตัวพวกเราหลงมากกว่าพวกเราเพราะอยู่ลําพังพระองค์เดียวยังไม่มีนิมิตมีเครื่องหมายมีจุดหมายปลายทางที่ใดซุ่งหัวเพียงนจะได้ข้อมูลจากกายจากใจนิจติ ตอนนี้เราได้มีมูลยเยอะเยะมากมากแล้วมีเพื่อนมีมิตรไม่เปียวเดียวดายไม้เหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อฝึกระบังวอกองเดียวจะคิดอะไรขึ้นมาอยู่ในป่าในดงนี่เราก็มีเพื่อนมีมิต ร, ม, ร ม, ม, ม, มีสถานที่ น่าจะสะดวกและมีคำสอนมีขผนที่ให้ปฏิบัติตามมีสติปรัญญาที่เป็นประจำเข็นกายสุขากายไม่ใช่จัดบุคคลตัตนโล เ, เขาเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เป็นคำพูดแบบนี้เป็นความรู้สึกตัว ไม่ใช่พูดเอาเฉยๆแตนกายเว่ากายคือสติเห็นไม่ใช่สจตุคุณตัวตนเราเขาสติเป็นผู้เห็นและมาสมมติปัญญัติเป็นภาษาพูดเป็นตัวหนังสือเวทนาจากว่าเวทนาไม่ใช่จตุคุณตัวตนเราเขาเป็นสติที่เห็น คมตอบคำเฉลยของสติหลุดออกมาแล้วสติเห็นหลุดออกมาแล้วไม่ใช่คำพูดคำพูดพอให้หลุดไม่ได้จิตก็สวัสดิจิตไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเลาเขาเึ้นกันธรรมสวักว่าธรรมไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเลาเขาเป็นแผนที่ทาในใจ ไม่ใช่เป็นคำพูดท่องบทบริกรมกรมพุโทโธพุทโธต้องไม่ใช่แบบเดิมอาศัยพุโทโธพุทโธถ้ามีพุทโธเป็นนิมิตเป็นสมาธิมีคำเดียวเวลาออกจากพุกโทโธก็เหมือนเดิมให้มัเห็นจริงๆตัดบริกรรมออกให้มีสติต ร, ตรงตรง ตัวภาวะที่พุโทโกคือรู้คือตื่นนั่นแหละตื่นความหลงวอนที่ตกใจในความหลงหลงในความคิดตกใจมากมากกว่าหลงตกใจตื่นงูตื่นช่างตื่นเสือตื่นความหลงที่เกิดจากความคิดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก วความหลงเกิดจากความคิดแนละ้ไปกันทั้งหมดแนละ้วตอนตื่นตรงนี้ตื่นมากด้งนั้มันจะตื่นมันจะมันจะชำนาญตรงนี้คล่องแคล่วตรงนี้เรียกว่าบำเพ็ญทางจิตพุทธเจ้าบัดขึ้นกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกายเรื่องรูปบําเพ็ญทางจิต เตืนความคิดที่เหมืนเกิดจากจิตได้แก้ไขได้เปลี่ยนเป็นความรู้ที่เกิดจากกิตในความหลงในความรู้อยู่ในจิตในคราวเดียวกันมาพร้อมกันอาจจะไวกว่าถ้าฝึกหันได้ไวกว่าความรู้ถึงตัวเป็นเจ้าของกลายเป็นเจ้าของจิต เหมือนเก้าอี้ใบเดียวความหลงขวาทุกข์มานั่งอีกไม่ได้ถ้าฝึกหัดเป็นแนวอยากให้เหมือนหลงมันก็ไปหลงอยากให้เหมือนทุกข์มันก็ไปทุกข์อยากเข็นทุกข์ที่เป็นทุกข์อันไหนเป็นทุกข์ลองเกิดขึ้นดูสิความเจ็บเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ความเจ็บเป็นทุกข์เข็นเหมือนเจ็บไม่ได้เป็นผู้เจ็บ รวมตายเป็นทุกข์เอะหายใจไม่ได้เป็นทุกข์เือไม่ใช่หายใจไม่ได้เห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ได้บางเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องอาเสยลมหายใจพวามไม่ทุกข์ไม่ต้องอาศัยลมหายใจถ้าอาศัยลมหายใจก็เป็นทุกข์ทั้งหมดเลย อาศัยความเจ็บมาลงโทษให้ความเจ็บมาลงโทษหายใจไม่ได้มาลงโทษไม่ได้เป็นเช่นนั้นันเห็นตามความเป็นจริงไม่เอาชีวิตไปห้อยไปแฉวนไว้กับลมหายใจไม่เอาชีวิตไปห้อยไว้ขวนไว้กับอะไรที่เป็นที่ตั้งวัตถุจริงของไม่มีที่จะอาศัยมันมี ตัวก็มันเด้งคือเพราะว่าที่รูดึบตัวรูจิกตัวนี่มันจึงเหนือ ก, ก่อนเคยเจ็เจ็บตายนี่จำเป็นต้องฝึกหัดแน่นอนที่สุดไม่เที่ยงจนทุกไม่ใช่ตัวตนหายใจออกง่ายเข้าออ ก, ก็ตายแล้วหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้ว มันนิดเดียวชีดิของคนเราเนี่ยนิดเดียวผู้เจ้าเปรียบเทียมเหงือนน้าข้างบนยอดหยาะเหยง่ายจึงไม่ควรประมาทน่าจะกระตือรือร้นก่อนให้มากๆจักจอเรื่องนี้จอมเป็นมากๆกลอมเก่ความเจ็บความตาย ก็บำตลอดเวลาการเลาเกืนชีวิตเราตลอดเวลาเราใช้ชีวิตยังไงทุกเวลาทุกนาที่ทุกขั้วโมงเวลาให้เราใช้ไม่ใช่เวลามันคืนจินเราตาเวลาเกินจริงเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์จะเท้าลห่ร่ำตายไปเฉย มาเต่เอาความหนุ่มไปส่องจะได้ตั้หาหลาคะเม่อาความหนุ่มมาฝึกหัดตรงนีก็เสียพลังงานไปเปล่าให้พลังงานในทางที่ไม่ถูกต้องเพื่อนความคิดแม้แต่ความคิดก็จกินพลังงานมากไม่อยากคิดมันก็คิดถ้าไม่ฝึก ตานทั้งที่ไม่ตัวไม่มีตัวมีตัวน่อะไยเกิดจากความคิดเฉยเฉยก้ก่อนที่เกิดจากิดเฉยเฉยสามารถมาเป็นชุกเป็นทุกข์ได้พอให้นอนไม่หลับพอให้กินข้าวไม่ได้พอให้น้ำตาร่่มน้ำตาไหลแค่นี้ก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะโู้ขนาดนั้นนะเจอดา เสียดายผู้ที่เสียเปรียบความคิดฝ่าเป็นทุกข์เสียดายเสียดายส่วนมากจะมีเช่นนั้นประมาณ8ปดสทุกที่เกิดจากกิตใจของคนเนี่ยนิพนาที่เกิดจากความคิดามากที่สุดเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บคนนานจะมีจะครั่งหนึ่งหรืเกิดจากความคิดไม่มีการเวลา แล้วก็ไม่มีใครช่วยตัวเราได้เกิดจากกายังมีบุคคลที่1ที่2ที่3ช่วยมีโรงพยาบาลมีนายแคทมียามีเคอ ม, มีเป้มีเพื่อนมีมิดบุคคลที่1ที่2วัตถุที่1ที่2ช่วยแต่เกิดจากความคิดไม่มีใครช่วยเราได้เพราเราไม่ฝึกที่จะช่วยตัวเองจําเป็น ต้องจนแน่น อ, อนตรงนี้ถ้าไม่ฝึกหลงก็เป็นหลงทุ ก, ก็เป็นทุกโสดก็เป็นโสดดีใจก็เป็นดีใจเสียใจก็เป็นเสียใจเป็นเช่นนั่นเลว่าอยู่ในโลกถูกโลกทบถมนอกจากนี้เราก็มีเห็นทาเฉินเน้เสียเสื่อมลาบเสี่อมยศตินทาทุกโลกกท็ทำที่ครอบคง ำ, ำย่มยี ซมเพิ่มอีกมากหมอถ้าเราไม่รู้มิได่เป็นกองทุกันหนึ่งก็ว่าตายรูปตายไปแต่ที่ตั้งของกองทุกถ้าเราไม่รู้จึงอยากจะช่วยไม่คิดอะไรคิดจะช่วยคนเรื่องนี้ไม่วิธีใดที่ช่วยคนเรื่องนี้ได้ไม่มีวิธีอื่นใดนอกจากวิชากรรมฐานเท่านัตน ตามพระพุทธเจ้าทรงสังสอนตอนเดินหาไม่เจอไม่มีเลยเรื่องเดียวกับมาฐานตามที่เจ้าได้ปฏิบัติได้สั่งสอนพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมากโดยเจ้าก็ทรงสังสอนสาวกเรื่องนี้เป็นส่วนมากพระสงฆ์สาวกก็รู้เรื่องนี้เป็นส่วนมาก ไม่มีเรื่องอื่นจึงมีสมนักมีสถานที่อย่างนี้เกิดขึ้นมามีพระสง์มีเพื่อนเป็นมิตรดูแลเพื่อจะให้ความสะดวกในกะารศึกษาเรื่องนี้ตามทุกความเจอพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ก็ยังเชิญพวกเราที่ มาปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะอยู่เป็นหนึ่งนิดและจะร่เสริญบางคนที่ตั้งใจจริงๆเหมือนกับว่าเราจะมีที่พึ่งพวกเรามั่นคงมีคนที่มั่นคงเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยได้อาศัยได้เพื่อจะช่วยกัน อาใช่คนดีให้เกิดขึ้นมากๆถ้ามีคนไม่ดีไม่มั่นคงในชีวิตของเขาแล้วก็ก็มีงานคอนเทนไม่รู้อยาอาใัยใครเห็นอย่าเห็นโยมเห็นพระเห็นสงเพระหนุม่มๆแม่ชีหนุม่มๆสาวๆยอดชม่าปฏิบัติธรรมเห่นเป็นกำลังใจเราจะขอเคียร์อยู่ในใจเสมอนี่ก็ พูดให้ฟังให้ออกไปทำเมื่อการกระทำของแบบนี้จะเกิดขึ้นก็ผู้การทำมันเอง